เรามุ่งหมายจะให้ท่านมาเป็นคู่ครองแห่งตนและจะได้เป็นมารดาที่ดีของลูกถ้ารู้เสียแต่ต้นว่าท่านร่านดำกฤษณนาถึงปานนี้เราหรือจะปล่อยท่านให้พ้นมือมองจากอาการภายนอกเห็นท <c oughs> ่านเสงเ่ยมเจียมตัวดีอยู่ไม่เคยนึกเลยว่าท่านนั้นแท้จริงเหมือนภูเขาไฟใต้น้ำ